นิ้วโป้งตัวป้้มใหม่ซำซ้อนิ้วชี้ชูช่อรู้งองไงนิ้วกลาง่รงระหงเหมือนทรงชายนิ้วนางงามละไม้คุณสตรี จับกราพระไม่พระนีย้ยวทังหาตามันนั้นและดีสมรคีตามันนั่นแหลนะนัน นิ้วโป้งตัวป้อมไม่ซ้อมซอบนิ้วชี้ชูช่อรู้งอง่างนิ้วกลางระระหงเหมือนทรงชายนิ้วนางงามละไม้คุณสตรีนิ้วก้อยน้อยกว่าแต่น่ารักรู้จักกระพระาไม่พลานี้นิ้วทั้งห้าต่างกันนั้นและดีสมัครีต่างกันนั่นแหละง